อัลสลามุอะลัยฮุรราะห์มานุลรุห ل ม a l h a ا ل u l i l l a h i h u s a ل l ه و u sallam ه ณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณ์ุณณ์ กินใบไก่นะไม่ไม่ทันเดือนรอมฎอนแน่นอนหมายถึงว่าไม่จบก่อนเดือนรอมฎอนแน่นอนก็คงต้องยกยอดไปลังเดือนรอมฎอนก็เช่นเคยนะครับเดือนรอมฎอนเราก็จะหยุดนะแต่นี้ก่จะถึงเดือนรอมฎอนนี่ก็เหลืออีกเดือนนึงก็ประมาณสี่ตอนไม่แน่นะครับลองดูไปก่อนนะครับท่อนนี้นะครับตั้งแต่อาที่9์เก้ หลังจากนี้ประมาณห้าหกอายาเนี่ยเป็นฉากที่น่าสุเภทและก็น่ากลัวในขณะเดียวกันอัลลอฮฺได้เล่าถึงสถานภาพกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่คิดไม่รอบคอบคิดที่จะทรยศท่านนบีทรยศศาสนาแต่ที่สุดนี้ก็ต้องมาแก้ตัวแก้ตัวต่อ ต่อสังคมเพราะเราสภานวตถ า, ร, ารู้ท่าแท้ของพวกเขาก่อนที่เขาจะทรยศ์อยู่แล้วแต่ที่น่าสมเพชก็คือการที่เขาได้แอ บ, บอ้างศาสนาที่ตัวเองทรยศ์อยู่เนี่ยแอบบอ้างศาสนามาเรียกร้องให้คนสงสารหรือให้คนเชื่อ เชื่อในข้ออ้างของตัวเองซึ่งเป็นพฤติกรรมของมุนาฟิกรรอยู่แล้วแล้วจะเป็นกรมลสันดาลของทุกคนที่มีเชื่อของพวกมุนาฟิกเองคือสิ่งที่ตัวเองไม่ไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ให้ความสำคัญอยู่แล้วแต่ก็เอามาแอบอ้างแต่การที่จะเอามาแอบอ้างนั้นน่ะมันมีประเด็นหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน แล้วมันเป็นเหตุผลว่าเราสุภานี่ยว่าอะไรทำไมตำหนิพวกมุนาฟิกษพวกมุนาฟิกษนี่จะแอบอ้างศาสนาเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเห็นใจในความบกพร่องของเขาทั้งนั้นในความบกพร่องของเขาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาของคำสั่งสอนเนี่ยความที่พฤติกรรมมันสวนทางกันนะและนี่คือสิ่งที่มันจะ มันอาจจะใช้ได้ในโลกดุนยาหนิแต่วันเกียรมาหน่ทุกคนเนี่ยก็รู้ว่าเราจะไปหลอกพระเจ้าไม่ได้มาหลอกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันก็มีโอกาสโอกาสที่คนเขาจะเชื่อเราได้แต่ต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮวดาละในวันเกียร์มาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้ทุกคนเนี่ยก็รู้ว่ายืนต่อหน้าพระพักตร์อัลลอฮ์สุบฮานะฮวดาละถ้าไม่พูดสัจจริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ความจริงเนี่ยได้ปรากฏและประจักษ์ โดยที <emás> ่หลุดหลุดพ้นไม่ได้เราก็เข้าใจกันแล้วนะครับสถานการณ์ของสงครามตะบูกที่ท่านนบีเชิญชวนให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้เตรียมตัวออกไปสู้รบไปย่าไปปกป้องศาสนากับท่านนบีสลดล่อฮะเลยอยู่สลัมแล้วก็มีกลุ่มที่มั่งคั่งที่มีความสามารถด้านด้านกายดาน ดันทรัพย์สินและไม่ไดีออกกับท่านนาบีสุลต่านอะฮ่าอิบราฮิมเพราะท่านนาบีกลับมาจากสงครามตาบุกแล้วเนี่ยกลุ่มเหล่าเนี้ยก็มาแก้ตัวอ้างเหตุผลต่างๆเรียกร้องความเห็นใจจากท่านนาบีและก็สังคมว่าว่าเขามีเหตุผลอย่างนู่นอย่างนี้ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีอัลลอฮฺสุภานะไซซูระตะเตวเนี่ยอัลลอฮก็จะได้เล่าเหตุผลบางบางอย่างเช่นคนที่คนที่ไม่ไม่ไม่ได้ไปเพราะกลัวกลัวฟิตน้าของสาวโรมันสาวโรมันนี่มันสวยและถ้าไปหรือเดี๋ยวจะโดนฟิตน้าสาวก็อย่าไปเลยบางกลุ่มก็อ้าง อากาศร้อนเอาร้อก็ตอบโตัวเขาอันนี้บางกลุ่มนี้ก็มามาให้เหตุผลอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เข้าข่าย อ, อุปสรรคที่อาร้อนสุภานวัดาละพอที่จะให้อภัยได้ในยาที่เก้าสิบนี่เราก็บอกแล้วนะว่ามีกลุ่มหนึ่งของอาหรับชนบทที่มาอ้างเหตุผลบางกลุ่มที่อาร้อให้อภยัยเช่นบางกลุ่มเขาบอกว่าเขาอยู่ใน พื้นที่ที่มีพวกชนบทเทือนๆถ้าเราไปออกรบกับท่านนาบีเขาก็จะเข้ามามาขมขืนผู้หญิงมามาบ้นทรัพย์ของเราเราก็ทิ้งไม่ได้จริงๆมันเป็นการป้องกันชีวิตแล้วครอบครัวของเขาอันนี้บางกลุ่มนี่นบีก็เห็นใจเห็นใจก็หมายทิ้งไว้อภัยเขาถ้าบางกลุ่มนี่นบไีไม่ไม่พูดคือเขามาให้เหตุผลหลายอย่างแต่ น, นบีกไไ็ไม่ได้ไม่ได้พูดชัดนะว่าจะให้อภัยหรือไม่ แต่โดยรวมโดยรวมอายะ90เก้าินี้กับวายทห์งว่มคนที่ให้เหตุผลที่ไม่ขึ้นกับหลักการศาสนาที่อัลลอ์ได้กำหนดไว้คนเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าตกอยู่ในสภาพที่บกพร่องของกลุ่มที่ไม่ไ ด, มดีที่ทรยศไม่ไดีออกไปสู้รบกับท่านนาบี ال สุลลัลละลัยอสลัมซึ่งอายะที่้บเอ็เนี่ยอัลลอ์สุบฮานะวะดาแล้วก็จะปอบใจ คนที่เขามีอุปสรรคมีอุจจระปลอบใจว่าอาคนเหล่านี้ไม่ต้องเสียใจเลยนะไม่มีบาปเลยนะคนเหล่านีา้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องร้อนตัวคือต้อ ง, ต, องต้องนึกถึงสถานการณ์ตอนนั้นน่ะโอ้คนนี้ไม่ได้ออกกับท่านบนบีโดนมองเลยนะเฮ้ยทำไมเราอยู่ไม่เนไปนะ่ะทุกคนเห็ก็มาเจอมาแล้วเฮ้ เฮ้ยทำไมไม่เห็นตอนไปตะบูกนะนึกออกไหมทุกคนนี่ต้องร้อนตัวแน่นอนนี่สภาพบุนาฟิกีเน่ยดูดีมาละหมาสู้ดิมาละหมาดอยู่าจจะมากับท่านนบีเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปสงครามตะบูกับท่านนบีก็ต้องโดนเพ่งเหล็งโดนหมองหน้าเราสุบภานวดาแล้วก็ยุติธรรมที่สุดสําหรับคนที่มีอุปสรรคจริงๆมีความ ไม่พร้อมจริงๆศาสนากระน่้นเราก็ไม่เอาโทษกับเขาบัด أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على ا ل ض ع ف ا ء ولا على المرض ى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع ا ل ى المحسنين من سبيل الله غفور رحيم. ไม่มีบัดดายดายฮาร์รนีนด้ยรักษาเนี่ยฮาร์แปลว่าความอึดอัด ความอึดอัดมันเกิดจากอะไรเกิดจากการทําผิดเกิดทาผิดเพราะถ้าความผิดนี่มันมันเป็นที่ต้องห้ามคนที่มีความแยมเกรงก็จะรู้สึกอึดอัดเหมือนที่ท่านนายวิสลลัลสลัมถูกถามว่าความดีคืออะไรและก็ บ, บาปคืออะไรมันบิรุว่ามันอิสมุบิดความดีคืออะไรคุณธรรมนี่กืออะไร نبي قال ي ب و ا البر حسن الخلق كام دين دي ك مريات دينها. هذا ن ى سمكانيه ك ن تام نه كده. เพรา تي تين نبيه تيباي ن البر حسن الخلق ك ن تام نه ك مريات دينه. ونبي. ج م آيات سورة آل عمران م ي ن ولكن البر ่มนอ ن มะน์บิลลาฮิ์วลี่ย ا ل ัลอาค์ร์วัลมลาย์คัตย์บ ل ่นี่คุณณธรร ل ท ن ่ตัถังทั่ ن บร่นั้นบรู่ลบร่นันมนีอมีแน่นอนมีนอยู่ด้วยแต่ท่านนบีสรุปสรุปสาระสาคัญของคุณธรรมแต่การจะบอกแสดงว่ามารยาทนี่สำคัญกว่าศรัทธาศรัทธานี่มันคือพื้นฐานอยู่ แต่ใครที่จะมาพูดบ ah ันทอนตำแหน่งความสำคัญของมารยาทกับความศรัทธาเนี่ยอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจหกักไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาตัวบทอย่างรอบคอบอัลบิรุฮุสนุลุลกุนบีถูกถามว่าคุณธรรมนี่คืออะไรคุณธรรมก็คือนบีนบีเป็นผู้ที่เน้นในเรื่องอากิดาอยู่แล้วกุอ่านในเน้นเรื่องอากีดาอยู่แล้ว เราเราต้องไม่ปฏิเสธต้องไม่ปฏิเสธวะเน้นไร้องะไรแล้วกันเน้นเรื่องมรารยาทด้วยเน้นทั้งสองอย่างอัลอิสมาและลบาบละออิสมาบาบมาหากสรกสิ่งที่มันอึดอัดนะหากันที่มันอึดอัดอยู่ในใจเจ้ า, จา น, าน บ, บีไม่ได้ให้การเรียนรู้หรือความรู้ในตัวบทอย่างเดียวที่จะทำให้เราเนี่ยรู้บาปแล้วก็ ห่างจากบาปมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องภายใต้ที่สํานึกที่มีอยู่โดยธรรมชาติสําหรับผู้ศรัทธาทุกคนสําหรับมนุษย์ทุกคนในเชืผู้ศรัทธาเองเนี่ยมนุษย์ทุกคนมีพื้นฐานแห่งคุ ณ, ณธรรมพอที่จะให้ตัวเองเนี่อรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นบาปหรือไม่บาปนี่บาปนี่หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าห้ามหรือไม่อึดอัด ลองดูสิลองเรื่องบาปอะไรต่างๆแม้กระทั่งที่สังคมเกิดกระแสนิยมยินยอมอลรุ่มอร่วยมันก็ยังเป็นบาปสำหรับสหรับคนสำหรับคนที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดถูกหลอ่อหลอมด้วยด้วยขานิยมหรืออะไรที่มันเบี่ยงเบนธรรมชาติ เดีนี้มีประเด็นเรื่องชู้สาวที่กําลังเป็นอาชญากรรมแพร่ในสังคมทําไมอ่ะทาไมทําไมชู้นี่มามาฆ่าผัวชาวบ้านกับเพราะมันปล่อยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยที่จะให้ผู้หญิงในครอบครัวนี่นะคบผู้ชายคนอื่นได้แต่งตัวโป๊ตัวคนนั้นนี่ทั้งหมดนี่มันเป็นมันผลที่พวงมาจากเรื่องเรื่อง เริ่มต้นเลยอะผัวมีนั่งนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็เพื่อนมานั่งชุดบ้านน่ะใส่ในบ้านน่ะเพื่อนมาก็นั่งกินเหล้าด้วยกันอะไร น, นี่ในสังคมซึ่งถ้าในสังคมบ้านเราสังคมคนไทยที่เขาที่เขามีคุณธรรมนะหมายถึงว่าเขาวัดฟังสวจอะไรเงี้ยนะเขาจะไม่ทำแบบนี้เขาจะสำรวมตัวเวลาเพื่อนมา ภรรยาก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยแต่อี ท, อที่แบบที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันก่อให้เกิดอาชญากรรมนี่นะมันก็เกิดกันอยานี้ไม่อึดอัดไงฟิตร้อนนี่ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันถูกเบี่ยงเบนมันถูกทําลายถูกทําลายไปหมดแล้วถูกทำลายทำลายด้วยน้ํามือของเรานะนะต่ก่อนนุ้นนะ่ะใครได้กินกัญชาเลยนะม่รเป็นคดีเลยนะเป็นคดีเลยนะอ่ะตัวนี้ละ่ะ เดี๋ยนี้กัญชาอยู่ที่ไหนเ้าเรียกว่าพื้นที่สีเขียวกัญชาอนะไรกลายเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพื้นที่สีเขียวเลวยคิดดูใครน้ํามือของไครนี่ผลงานของใครผลงของขอ ง, ของมนุษย์ที่เบียเบ่ยงเบนที่เปลี่ยนแปลงคุณธรรมและก็ธรรมชาติทั้งนี้ศา ส, สนาเนี่ยคือบางทีเนี่ยเรื่องที่เรารู้สึกอึดอัดแต่มันไม่บาปจริงศา ส, สนานี่ก็จะเข้ามาช่วยศา ส, สนาที่เป็นตัวช่วย ในเรื่องที่เธออึดอัด น, นี่นะอย่าอึดอัดใ น, นเพรเรื่องนี้เนี่ยพระเจ้าไม่มีเอาโทษแบบนี้รู้สึกว่าไม่ได้ไปช่วยเด บ, บีไม่ได้ออกไปสู้รบกับท่านเด บ, บีบุกร้องเขาบอกอบฉันทำบาปหรือเปล่าตั้นราก็เลยบอกว่าไม่เป็นบาปไม่มีบาปไม่เป็นบาปใดๆบางตําราที่อธิบายนี่ใช้คําว่าไม่มีตําหนิใดๆไม่มีตําหนิใดๆต่างกันไม่ต่างกันบาปเนี่ยคือบัญญัต สถานะเดียวสถานเดียวบาปมันก็ต้องเรื่องบรร ญ, ญัติเราอิสลา ม, มานะไม่มีมนุษย์ใครที่มีสิทธิทจะนี่บาปอันนี้ไม่บาปทําไมบาปเพราะคนนู้นเขาบอกว่ามันบาปไม่ใไม่ได้บาปนี่ฮารอม嘛นะก็ต้องมีบทบัญญัติแต่ตำหนิละ่ะตำห น, ำนิอาจจะเป็นเรื่องเรื่องบรร ญ, ญัติและอาจจะเป็นเรื่องสังคมก็ได้สังคมก็ได้ ผู้ใหญ่เขานั่งกันนั่งพื้นกันนะแล้วก็ผู้น้อยเดินหลังแข็งอย่างเงี้ยเดินไม่ไม่โค้งไม่ก้มอ่ะถ้าในจรีในวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีมาระยาทผู้ใหญ่เขานั่งกันนั่งพื้นแล้วก็ผู้น้อยเนี่ยเดินแล้วก็ไม่ก้มหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ยดำหนีเฮ้ผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่หลังแข็งไงเฮ้ยดำหนี แต่แต่ไปดูที่อื่นดิพ้นละแวกเนี่ยละแวกสยามมาลายูเนี่ยาไปอินเดียอย่างเงี้ยไม่มีธรรมดาถ้าไปฝรั่งนั้นโอ้ยนี่ยิงธรรมดาเลยบางอย่างที่เป็นจารีตเป็นเป็นประเพณีการตำหนิเนี่ยมันก็เกิดจากการการที่เราได้วางค่านิยมกันเองคนไทยเนี่ยใครมาจับหัวนี่มาอไนไม่ได้เลยนะ ถ้าผัวนี่ไม่ได้เลยถ้าไปวัฒนธรรมที่ อ, อื่นนี่จับนี่ก็คือสนิทกันแล้วนะแต่ใครมาจับหัวเพื่อนกูนี่คือสนิทนแล้วนะ่ะคือที่รักแล้วนะ่ะแต่ถ้าคนใดนี่ใครมาจับหัวเนี่อันนี้คือไม่ให้เกี่ยวกันละคนละเรื่องนะฉะนั้นอันนี้อธิบายแบบเนี้มันมันจะถูกต้องกว่าไม่เป็นบาปใดๆแก่บรรดาผู้ที่ air, อ่อนแออัลบาฟา ตัวแฝงในอ่อนแอในตรง น, นหมายถึงอ่อนแอด้านสรีระร่างกายไม่มีความสามารถที่จะสู้รบป่วยสุขภาพไม่ดีไม่เอือ้อที่จะถืออาวุธใช้อาวุธสูร้รบเดินทางไกลไ ม, ม่อันนี้ตัวแฝงต่อยอแอด้านสรีระด้านร่างกายแล้วถ้าคน สมมติเน่ถ้าถ้ามีมุสลิมที่เขาออนแอด้านจิตใจยังไงเห็นเลือดไม่ได้เลยเห็นเลือดแล้วเป็นลมแล้วบางคนเนี่เห็นเข็มแล้วเป็นลมได้มะเห็นเข็มแล้วเป็นลมเลยแล้วจะเห็นดาบเหรอถ้าบางคนเนี่เห็นนิ้วขาดไนี่เป็นลมแล้วจะเห็นคอหลุดล่ะอะไรจะเกิดขึ้นนะบางคนก็เป็นแบบนี้จริง จะเรียกว่าเขามีสภาพจิตที่มันยังไงจะเรียกอะไรก็ได้แต่มันมันคือมันคือสภาพที่มีจริงสำหรับมนุษย์นี่มีจริงและในบางสงครามที่เกิดขึ้นสมัยท่านนาบีสลต่านละสัลลัมก็มีก็มีสหาย บ, บางท่านที่มาขออนีญาท่านนาบีให้อยู่ในหมู่คณะ มุญาหิดีนคนที่สูร้รบที่ไม่ต้องระเชิญหน้ากับศัตรูเพราะเขาเนี่ยถืออาวุธไม่ได้เขาเขาเขากลัวเขาเป็นคนขี้ขาดเขากลัวอย่าลืมว่าความขี้ขาดนี่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ตายตัวนะคนกล้าหารก็สามารถดว่าคนอื่นขี้ขาดไดาคนที่แบบว่ากล้าระเชิญหน้ากับความตายเนี่ยใครที่ไม่เหมือนเขาเนี่ยขี้ขาดทั้งนั้นแหละแต่อคนที่ขี้ขาดนี่บอกว่า ป้าเขาเป็นคนเซฟตัวนะอันนี้มันก ล, กลายเป็นเรื่องหล่อแล้วนะจะขี้ขาดนี่กลายเป็นเรื่องหล่อเลยซึ่งมันมันไม่ใช่มาตรฐานตายตัวมันก็จะเป็นมัธยลาเป็นเรื่องที่ที่สามารถคุยได้ไหมายถึงว่าสามารถวินิจฉัยได้ว่าถ้ามีในขณะที่มีสงครามแล้วก็มีมุสลิมคนหนึ่งที่จะต้องไปสู้รบแต่เขาออกไปสู้รบถ้าออกไปสู้รบในสภาพจิตใจที่อ่อนแอนี่อ่อนอ่อน ดอยฟแต่ไม่ได้ออนแอด้านร่างกายเนะี่ยแล้วบางทีเนี่เห็นบางคนเนี่ยสภาพร่างกายโอ้ล่ามีกล้ามแข็งแรงออกกําลังกายทุกวันอ่าไหนวันนี้มันนี่มาเชือดไก่หน่อยดูโอ้ยเชดเลยเชืเลยเชดไก่ไม่ได้ไก่นะทําไมอ่ะเปราะบางสภาพจิตใจเขานี่เปาะบางมีไหมมีแล้วมีจริงใครเขาเป็นสู้รบ เป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นภัยมากกว่าที่จะเป็นการดีสําหรับสําหรับนักบุญก็แสดงว่าอยู่อดอฟดฝ้าในถ้าคนสภาพนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ออกและทางผู้นําเขาอนุญาตให้นะก็ถือว่าไม่ไม่เป็นบาปเช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่ามันก็มีหะดิษบทหนึ่งที่เล่าเหตุการณ์คล้ายๆเรื่องนี้นะครับสมัยท่านนายุสุลวะลลมอบต่วยไ้ป่วย อันนี้กว้างเลยคนป่วยถ้าอยู่ในสภาพนั้นก็คือเป็นที่อนุญาตไม่ให้ออกไป j ิ h า d และไม่เป็นบาปใดๆสำหรับป่วยนี่นะก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยที่อัลลอฮได้ระบุของคนที่มีความพร่องในร่างกายเช่นคนตาบอดคนขาเป๋พิการอวัยวะที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถออกไปสู้รบในสงคราม Allah جواب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج آ رب يعنى เหมือนกันอุ้มเดียวกันอิมามก و ر ت ب ي د ได้บอกว่าประเภทคนที่มีอุปสรรคในตัวตัวเขาในตัวร่างกายของเขามีอุปสรรคในตัวเขาเขาไปสู้รบไม่ได้ประเภทที่สองอันนี้ว่าแล้อันละดีนะล้ยาจีดูนไม่ยุงฟิกูนฮารจอันนี้มันไม่ได้เป็นอุปสรรคในตัวเป็นอุปสรรคภายนอก ก็คือไม่มีบาปใดๆแก่บรรดาผู้ที่ไม่พบสิ่งที่จะบริจาคไม่ได้ท่ว่าบริจาคในหนทางของรอดจะได้ไปสู้รบได้ไม่มีเงินที่จะไปซื้อมาซื้ออูดซื้อผ้านะไม่มีเงินที่จะไปซื้ออาวุธให้ตัวเองซื้อทำไมอะรัฐต้องออกให้ไม่ใช่หรือใช่ในกรณีที่รัฐมีความสามารถ แตในกรณีที่รัฐไม่มีความสามารถและ j i h า d นี่มันเป็นฟัรดัอิฟัรดัแล้วนี่นะทุกคนเดียต้องออกเองละหมาดนี่ฟัรัอใช่รัฐนี่ต้องเอาเสื้อผ้ามาให้เราละหมาดหมถ้าเป็นฟัรดัแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องต้องหาเองทุกคนต้องต้องเอื้อให้ฟัรดูเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วฟัรดูกฟายเนี่ยา i d นี่เป็นฟัรดูกิฟาย นี่เป็นหน้าที่ของของรัฐหน้าที่ของของส่วนรวมเขาไม่มีส่วนที่จะบริจาค ก, ก็หมายถึงว่าใ น, นํานองที่อัลลอฮฺได้บอกว่ า, าคนที่จะเยฮาตต่อสู้นี่ต่อ ส, อสู้ต่อสู้ด้วยชีวิตและกะ็ทรัพย์สมบัติฮะนนั้นคนที่ออกไปเิฮาต ด, ด้วยตัวเองนี่คือต่อสู้ด้วยชีวิตแล้วก็ยังไปหาซื้ออาวุธยังไปหาซื้อปานะด้วยเงินของตัวเองอันนี้เขก็เท่ากับเยฮาตด้วยทรัพย์สมบัติก็หมายถึงว่าบริจาค เพื่อจีฮัตเนีนทำก่อนเนาะด้วยเขา ท, ทาทั้งสองอย่างแล้วคนที่ทําทั้งสองอย่างเนี่ยก็คือคนที่จิฮาตสูงสุดแล้วคนนี้ไม่มีล่ะคนนี้ไม่มีไอ้เช่นคนที่ไม่มีความสามารถในตัวร่างกายของเขาไม่เป็นบาปเลยไม่มีข้อตำหนี่ใดๆคนที่ไม่มีทรัพย์ที่จะไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือหรือปัจจัยที่จะไปจิฮาตไปจิฮาต ด, ด้วยลําพัง ไม่มีอาวุธไม่มีผานะก็จะเป็นภาระสำหรับกองทัพมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่อยู่สมัยท่านนบดุลอสลลัลลอฮะลฮิสัลลัมและไม่ไม่ได้มีอุปกรณ์หรือทรัพย์สมบัติหรือเครื่องมือในการที่จะจิ h า d เนี่ยก็ไม่มีบาปใดๆสำหรับพวกเขาก็คือคนยากจนเพราะก่อนหน้านี้ในอายะเนี่ยที่อัลลอได้บอกว่าอ s t ต z a n a k ulu'tauli m i n h เทอรอได้ตําหนิตาหนิใคร่ผู้ที่มั่งคั่งในหมู่พวกเขาทเทอรอตําหนินะผู้ที่มั่งคั่งผู้ที่มีความสามารถมีเงินมีม้ามีอูดมีอาวุธแต่ไม่ยอมออกตรงกันข้ามก็คือคนที่ไม่มีล่ะคนที่ไม่มีแล้วยจะดูนะมายยู่ฝึกน่ะฮาราจุนไม่มีบาปไม่มีตําหนิเลยแต่มีข้อแม้จะได้ไม่มีบาปนัมีข้อแม้อา่ إ ลิล ص ح و ا لله ورسوله อีเดนัสฮูลหละเมื่อพวกเขาได้แนะนำตักเตือนให้จงรักพักดีต่ออัลลอฮ์และรสูลของพระองค์อันนี้ต้องอธิบายยาวอีกหนึง่งเพราะคำแปลนี้ไม่ค่อยตรงคำแปลที่น่าจะตรงกว่าแล้วก็เหมาะกว่าอิเดนัสฮูคำว่านัสฮูเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเขามีความบริสุทธ มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺเรละสุนน์นี่คือความหมายของรากศัพท์ของคําว่านาซีฮะพราะนี่คือรากศัพท oh ์นาซาะฮะนาซาะหะคาว่านาซาะฮแปลว่าบริสุทธิ์ใจเอาแล้วก็ทําไมเราคุ้นๆกับคําว่านาซีฮัดเนี่ยนาซีฮะนี่กับแล้วว่าตัดเตือนนี่ที่ใบที่มา เตือนเนี่ยคําว่าตักเตือนเนี่ยมันคือผลลัพธ์ของความบริสุทธิ์คนที่มีความบริสุทธิ์ต่อเรื่องหนึ่ ง, เ ร, งเรื่องใดอะนะเขาก็ต้องพูดถึงเรื่องนั้นแน่นอนคนที่มีความบริสุทธิ์ใจกับพ่อแม่รักพ่อแม่อย่างเงี้ยเขาต้องพูดมาว่าเขารักพ่อแม่ต้องพูดไหม เขาต้องพูดดีอยู่ทั้งชีวิตเนี่ยเจ็สิปีเนะี่ยไม่เคยพูดสักคำหนึ่งไม่เคยบอกคนสักคนหนึ่งว่าฉันรักพอ่อรักแม่ไม่ได้อย่างน้อยนั่นก็ต้องบอกพ่อแม่อย่างน้อยถ้ามีใครถามอย่างน้อยอะนะถ้ามีใครถามเห็งรักพอ่ออุ้ย ร, ร, รักสิต้องพูดรักสามีรักภรรยาอย่างเงี้ยต้องพูดไหมก็พูดกับก็พูดกับภรรยาพูดกับสามีนี่แหละนะ ไม่ใช่พูดก่อนแต่งงานอย่างเดียวแค่หลังแต่งงานหลังแต่งงานนี่ไม่ได้ยินแล้วทำแบบนี้หรือว่าพูดกับคนอื่นประกาศให้คนอื่นรับรู้เออเขารักภรรยารักสามีเหมือนที่นนท่านนบีตอบซาบะท่านนบีครับคนที่ท่านนาบีรักมากที่สุดนี่คือใครหมายรวมของซาบะที่ถามนี่ก็คือสาวกไงถึงวันไหนสาวกของท่านนาบีเนี่ย มีใครท่านนาีรักมากที่สุดแต่ท่านนาบีพูดด้วยความบริบสุทธิ์ที่สุดเลยนะเพราะคนที่ถามเนี่ยไม่ได้เจาะจงเขาบอกว่าใครใครใครใดีท่านทีท่านรักมากที่สุดท่า น, น่บีก็บว่าอิชะพูดโอ้เนี่ยถ้ามีใครถ้ามีใครปัจจุบันในทำแบบนี้เนี่ยนะผมโ อ, โ, อ โ, อโอ้เป็นประเด็นแหละเป็นวร์เลแหละเ ป, เป็นกระแสแหละโดนแซว คนที่มีความบริสุทธิ์กับอะไรอน่ยนะเขาก็ต้องพูดอ้าวชอบอาหารกินเนี่ยชอบอาหารการกินอะไรเนี่ยทําอะไรไปร้านอาหารไปกินน่ะทําอะไรโพสไงแล้วโพสให้คนรู้กันทั่วโลกเลยว่ากูชอบนี่นีนีอาหารนี่กูชอบชอบก็เก็บก็เก็บในใจมันเออเก็บได้ไงก็อยากให้คนรู้นี่ไง จ ร, จ, รจริงใจจริงใจจริงจังไหมล่ะเนี่ยเวลาเจอเพื่อนที่ไม่เจอกันมานานแล้วเพื่อนที่รักมากไม่เจอแล้วก็เราเป็นแก๊นเป็นเพื่อนกันเนี่ยเฮ้ยในวันนี้ถ่ายรูปรู้สองที่เพื่อนเห็นไหมคือสิ่งที่เราได้ชอบเนี่ยเราอยากจะให้คนอื่นรู้ว่าเราชอบนี่คือผลพวงมาจากความบริสุทธิ์ใจาการเตือนการบอกคนอื่นเฮ้ยอย่างนี้นะและถ้าเรื่องมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราชอบนี่นะเราจะเตือนเฮ้ยยังไม่ได้ฉันไม่ชอบ เนี่ยนาเซียหามันมาจากหนึ่งคนอื่นทําเรื่องไม่ดีเราเตือนเตือนเพราะอะไรเพราะเป็นพี่น้องของเราถ้าเราไม่เตือนแสดงว่าไม่ใช่พี่น้องแสดงว่าไม่รักเขาสองเพื่อนสองคนรักกันสองคนนี่รักกันแล้วก็มีอาหารคนนึงรู้อาหารนี่เป็นพิษแล้ว ก, กคนนึงไม่รู้ไปกินแล้วก็อ่ะเจอเรื่องเลยเขาก็ตำหนี่เพื่อนเขาก็เอ้แกทำไมไม่เตือนฉัน แกไม่รักฉันหรือเห็นไหมก็ที่พอรักเนี่ยต้องเตือนไงเพราะถ้าไม่เตือนน่แสดงว่าไม่รักความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันต้องนำมาซึ่งการพูดคือการแสดงใช่ไหมมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราใช้คำว่านาซีฮากับเรื่องตักเตือนอย่างเดียวที่จริงหาดีสุงท่านะบิสซอลลัลสลัมนบีอัดีนุนนาซีฮะอิบนมสลิม อดีนุนนัสีาอดีนุนนักีหาอดีนุนนักศาสนาเนี่คือาการเตือนแปลงเถูกอดีนุนนักสีหาศาสนานี่คือความบริสุทธิ์แปลอย่างี้ก็ถูกเหมือนกันก่อนหน้านี้นเนี่ยมาประมาณหกเจดปีเนี่นยโหเกิดสงครามเนี่ยในสังคมสงครามเลยนะคนที่แปลว่นานัสีหาคือเ ต, ตือนเฮ้ ي, ย, ان, ยไม่ได้เรียนไปเรียนใหม่นักสีหาคือคือความบริสุทธิ์ใหญ่ ไอ้คนที่แปลนี่มีความบมั่นใจนี่ไม่เรื่องเขาแปลกันไปดูในหนังสือนี่ไปดูในตำราเนี่ยนาซีเขาคือตัเตือนมันถูกกันทั้งคู่ละมันถูกทั้งสองอ่ะนะมันมันไม่ผิดแต่มันมันอยู่ที่ว่าเราใช้ใช้แบบไหนแล้วก็รากศัพท์เนี่ยเราใช้ตรงไหนแค่นั้นแหละภาษาอับกีษมันกว้างแล้วมันลึกซึ้งแล้ปัญหานี่คนที่มาเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ลึกซึ่งไม่รอบครอบอนั้นก็เนี่ยมันเกิดปัญหาแบบนี้ใชาได้ทั้งสองนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์อัลลอ์บอกว่าจะไม่เป็นบาปนะสำหรับคนที่ไม่ได้ออกไปจิ h a และมีอุปสรรคอ่อนแอหรือไม่มั่งคั่งแต่มีข้าแม้อิดานัสฮูลิละยรัสูลิแต่เขามีความบริสุทธิ์ใจมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอ์และรัสูล มีความบริสุทธแล้วก็มันมันจะเป็นข้อแม้ที่มีประโยชน์อะไรล่ะสําหรับคนที่ไม่ได้ออกไปจ ihad ใช่ดิถ้าเขาบริสุทธิ์ใจนะถ้าเขาสุดใจเนี่ยครั้งเมื่ออุปสรรคนี้เนี่ยมันหายไปนะเขาจะรีบไปจ ihad เลยอาเช่นสมมติว่าตอนที่นบีออกนะเขาไม่มีพอท่านนบีออกไปแล้วนี่นะเกิดมีแต่คนที่บริสุทธิ์ใจนะ เขาจะรีบเลยและเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับสหบัชชี่ไคซะมะอบอบูไคซะมะอบูไคซะมะตอนที่ท่านนบีออกจากมัดดีน่านี่ไปตะบูกนี่นะอบูไคซะมะมีทุรอะไรสักอย่างนึงคือยุ่งจริงๆค่ะยุ่งจริงๆแล้ะสหบัชคนนี้่นบีรักมากแล้วรู้ว่าเป็นคนทุ่มเทให้ท่านนบีมาก ก็ตอนที่ออกไปจากมาดีนะ่นแล้วนี่เขาก็ไปพักตาบลหนึ่งซอฮาบานี่ก็ตั้งวงก็นั่งคุยถึงคนที่ไม่ได้ออกตอนนั้นเป็นประเด็นเป็นประเด็นไงคนที่ไม่ได้ออกเฮ้ยมุลลามาด ก, กับพวกเราตลอดหลายปีเนี่ยแต่พอเรื่องมันวิกฤตแบบนี้เนี่ยไม่เห็นหัวเลยเนี่ยเป็นประเด็นเขาก็คุยกันเรื่องอบูไคสมาเพราะเป็นคนที่ ในหมู่สหายเขาเขารู้นะมันคนดีอ่ะอะบุคัยสมาไม่มาดูไม่น่าเลยอ้บุคัยสมาจะเหมือนพวกมุนาฟิกหรือเปล่าเวลาที่น บ, บีนั่งแลว้วก็สหายกําลังคุยกันก็มีเงาคนกําลังเดินม า, าการที่ท่านน บ, บีเนี่ยมีความเชื่อมีความไว้ใจในสหายบ้าเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครที่เดินมาเนี่ยท่านเห็นว่าคุณอะบาคอยสมาจงเป็นอบุคัยสมา แต่เท่ากับสำนัว่าขอให้เป็นอาบูคอยซามะอย่าให้ฉันผิดหวังเลยเพราะโพมาเลยใช้อบูคอยซมะไม่ผิดหวังท่านนาบีอะไรเกิดขึ้นก็ตอนที่ท่านนาบีออกจากมาดีน้าเนี่ยตอนนั้ น, นเขายุ่งจริงๆก็เลยไม่ได้ออกร้องกับท่านนาบีก็โดนข้อสงสัยว่าไอ้เขาอยู่พุกโมนาฟิเกนหรือเปล่าพอท่านนาบีเดินไปแล้วนี่หลายตาบลแล้วนี่อบูคอยซามะนี่ไม่ยอม เฮ้ยมามาดีนะเฮ้ยนบีไปไหนหไปแล้วเราไม่รู้นี่ว่าจะไปตอนนี้เนะนี่ยรีบบไปหเก็บสัมปะระแบกสัมบาระเอามาเนเอาอูดมานี่ตามท่านนบีตามไม่พักเลยนะทีนี้จะได้ทันของทัพของท่านนบีเดนิดนเดนิดนเดินตาม่จะได้ทันของทัพของท่านนบีนี่มีความบริสุทธิ์คือที่จริงเนี่ยถ้าไม่ไดีไปแล้วโอ๊พลาดพลาดไปไม่ทันละไม่ทันลว ล็กๆนึ่กูไม่อยากไป่ไถ้าไม่บริสุทธิ์ใจมันจะมีข้ออ้างสาหรับเขาแล้วถ้าท่านอัานนาบดุมาเนี่ยกูเตรียมตัวแล้วโอ้ไม่ทนันอับดไปสักก่อนอะไรทำนองนี้แต่ไม่ใช่แล้วคนที่มีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยในทุกกรณีเนี่ยเขาจะมีอาการส่วนตัวของเขาที่จะบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ใจและคนเหล่านี้ในหลักการศาสนาอื่นๆนะ ถ้าเขาเจออุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถทำอิบาดะหรือปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอ์ชดให้คนละหมาเตียมุลเ ล, ลิมทุกคืนถก็คืนหนึ่งตื่นไม่ไหวหรือเกิดอุปสรรคอะไรไม่ตื่นนะอัลลอ์ชดให้แต่มันมีข้อแม่ข้อแม้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีความตั้งใจ ไม่ได้ตื่นละหมาสุโบทุกวันนี่จะตื่นละหมาสุโบแต่วันที่ไม่ได้ตื่นเนี่ยเสียใจไม่คืดีใจนะออวันนี้ในนอนเต็มที่ถ้าเสียใจเนี่ยอันนี้ฟันธงได้เลยคนประเภทนี้เนี่ยเวลาทำอะไรสม่าเสมอแล้วก็บกพร่องในช่วงเวลาหนึงนะ่งด้วยอุปสรรคอะไรสักอย่างห น, นึ่งแล้วเขารู้สึกเสียดายที่เขาไม่ได้ทา ตามความสม่มเสมอของเขาเนี่ย اللہ จะช่วยทายอิ دھا نصحوا للہ ورسول ต้องวีความบริสุดอุลม ا อาจิงบอกว่าเจตนาของเราเนี่ยกวางๆกวางการกระทําเจตนาของเราเนี่ยมันสามารถให้เราได้ควาผลบุญที่อาจไม่เกิดด้วยเพียงการกระทําอย่างเดียว เช่นอันนี้มันมี ح ا ดิษแต่ ح ษนี่มันด้อยหน่อยถึงจะด้อยเนี่ยต่อิมัมขอตีบกระดาดีเนี่ยได้ได้รวบรวมสายรายงานกระแสรายงานของ ح ا ดิษนี่ในหนังสือเล่มหนึ่งเล่มเล็กๆนี่ ح ا ษนี่ท่านนีทนีบอกว่านียตุลหมูมินี่ค่อยรุมมินาไมมาลีเจตนาของหมูมินเนี่ยย่อมประเสริฐกว่าการงานของเขายังไงเนี้ยนีอุลามะก็มาอธิบายนะบางท่านนี่ก็อธิบายละเอียดเลยนะเขาใช่ สำหรับคนที่มีทั้งเจตนาและกังานเจตนานี่ดีกว่างานเนี่ยแน่นอนเจตนาที่ทำให้การงานเนี่ยมีความหมายลองคิดดูสิละหมาดเจตนาไม่ดีถ้าละหมาด ท, ทั้งคืนน่มีประโยชน์ไหมแสดงว่าเจตนานี่มันดีกว่างานสำคัญกว่างานอันนี้นีสิบั น, บ น, นี้ทกบุคคอันนี้สอยแล้วนะและและและมันสอดคล้องอินนีมันอ่ามา การงานนี่มันขึ้นอยู่อะไรเป็นนี้อขึ้นอยู่กับนนื้อขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าไม่มีเจตนางานลม้มแต่มันมีความหมายที่ลึกกว่านั้นเจตนาดีกว่าการงานหมายถึงว่าถ้ามีเจตนาแล้วไม่มีงานแต่มีข้อแม้ว่าไม่มีงานเพราะมีอุปสรรคอย่างที่บอกกับพี่น้องหลายรอบแลวเรื่องจิ h า d เนี่ยเรื่องต่อสู้จ i h เนี่ยต้องจิ h a d รูปแบบหนึ่งรูปแบบใดึ่งตาม hadis มุสลิมดีต้นนบีเดบะห์ไม่ลืมยังัุหรือยุฮัดดิษน فس เขาในฮัุม่ต่เวลาชุมชน์มิ่งหนนึ่งคนดีไม่ได้เจต Hat รตั้งใจเจต Hat ได้เสียชีวิตในสภาพมีความเป็นมุนาฟิกส่วนหนึ่งในหัวใจของเขาตรงจต Hat จริงหมายถึงว่าโดยรูปธรรมหรือยูฮัดดิษก็คือตั้งใจเจตนา มั่นใจอุปสรรคมันเกิดขึ้นจริงจึงทํำให้งานดีที่เราอยากทำเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จมันไม่เกิดขึ้นคิดเรทุกเรื่องเลยบงคนบอกว่าอยากท่องจําคุรุอาจมีมื่อรที่ไม่อยากครับทุกคนอยากท่องจำอยากจะตายแต่ด้วยด้วยปัจจัยด้วยเงื่อนไขอะไรหลายอย่างนะเขาก็า เราก็อาจไม่คล่องท่องจํานี่สมองนี่อันใสมือแล้วป่านนี้แล้วนฮะงานการงานต้องดูนน่นนั่นตั้งใจไปดิตั้งใจไปดิถึงไม่ได้ท่องจํากุรอานตั้งใจท่องจํากุรอานหวังว่าอัลลอฮฺจะให้ผลบุญผู้ท่องจำกุรอานถึงแม้ว่ายังไม่ได้ท่องจํากุรอานถึงแม้ว่ายังไม่ได้ท่องจำกุราาอราน ทีความดีอื่นๆฉันอยากจะดาวาฉันอยากจะทาความดีนู่นนี่นแต่ทำทไม่ได้ฉันไม่มีปัจจัยฉันไม่มีฉันมีอุปสรรคันอก็จิตนะฉันอยากจะบปจิฮัดไปสู้กับกัสซามโอ้โหจินี้มจาฮิดีกเป็นแฟชั่นไปหมดแลยนะท่ไปหมดเลยนะมุจาฮิดีนกรบทั้งใจดี ถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆทัาาอ้โหอัลลอฮ์ถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆนี่ฉันไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ไม่อยู่ตรงนี้หรอกฉันอยู่กับพี่น้องแน่นอนตั้งใจซึ่งมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นในสงครามตะบูกแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องนี้อัลลมฮได้นำฮ ادي ซิบันทึกดูบุคฮารีและมุสลิมในสงครามตะบูกเนี่ยสหายและท่านนาบีเดินทางไกลไปแล้วทุกช่วง ก, ก็ต้องพักหน่อย ต, อ ต, อต้องเตรียมต้องรับ นะรับดาบต้องดูธนูอาวุธน บ, บีก็เลยบอกว่าเนี่ยที่พวกที่พวกท่านเนี่ยพักที่ไหนไปไปลงที่ไหนไปเดินทางที่ไหนเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งอยู่ที่มัดีนะนี่นะเขามีหุ้นส่วนในผลบุญที่เรากำลังขนขายกันอยู่เนี่ยเหมือนกันเลยอินน์ฟิลมดีนัติอความัน ในมดีนะนเนี่ยมีบังคุมมาสลักตุมวัดยนมาเนื้ลตุมวัดยนว่ลาสลักตุมฟัดพวกเจ้านี่ไม่ได้เดินทางไปจุดไหนไม่ได้ไปพักพรอที่ไหนเนี่ยอิลลัชรกูุ้มฟิลเอจิชรกูุ้มชรกูุ้มชิรกชิรกชิรกไมาอะไรมีหุ้นส่วนภาคีชิรกชิร์กไงชรกู้คุมชรกูุ้มนี่นะ เป็นภาคีกับพวกเจ้าหมายถึงว่ามีหุ้นส่วนกับพวกเจ้าในการทำเช่าที่พระเจากำลังทําอยู่แต่เขาอยู่มาดีนะ้นขอรุลีบมาเราทําไมอ่ะเขาอยู่นู่นคนสบายอยู่ที่มาดีน่าแล้วกับเรามันลําบากอยู่นี้แต่เขาได้ไหมเขาได้เหมือนเรานบีบอกว่าฮาบาซฮุมุลอูซุรูอูซุรนี่อุปสรคเป็นสิ่งที่ขัดขวางห้ามเขาไม่ให้มาอยู่กับเราเขาอยู่ที่นู่นแต่เขามีผลบุญมีหุ้นส่วนเหมือนเราเลยนะ อัลลอฮฺได้บอกว่านี่คือความใจบุญของอัลลอฮฺสุบฮานุบอตาในการตอบแทนในการตอบแทนคนที่ปรารถนาดีคนที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยอิดานาะสฮูลิลลาฮิวะราซูลิทุกมีความบริสุทธิ์ใจมีความตั้งใจมาอัลลลมุฮซินีนมินใน س ب ي ไม่มีทางใดๆที่จะกล่าวโทษ สบินเนี่ยไม่มีทางเลยกล่าวโทษตำหนิเขาไม่มีทางนะที่จะไปก่าวโทษไปตำหนิเขาบรรดาผู้ที่กระทำดีได้แต่ถึง้ไม่มีทางใดที่จะไปกล่าวโทษได้กับคนที่กระทําความดีใครล่ะที่กระทําความดีนะก็คือคนที่บริสุทธิ์ใจต่อละลอระดูจะไปกล่าวโทษกับเขาไม่ได้คนที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยถึงแม้ว่าเขาบางทีเนี่ยก็อาจจะบกพร่อง แล้วก็ทำทบาปทำผิดที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาบริสุทธิ์ใจอยู่เพราะความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องกว้างมันมันเป็นมันเป็นฐานใหญ่ของชีวิตผู้ศรัทธาเช่นอ ي ยาดอับนหฮิมาร์ซักมคนหนึ่งชื่อไยาดอับนูฮิมาร์ชอบกินเหล้าที่เราต้องเข้าใจนสังคมท่านนบี สังคมมนุษย์ทั่วไปแต่อัศจรรย์ของอิสลามเนี่ยที่สามารถเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนทั้งหมดแต่เปลี่ยนเยอะชอบกินเหล้าแลเรื่องอื่นละกละเรื่องอื่นนี่ไม่มีอะไรเลยครบถ้วนสมบูรณ์แต่เรื่องนี้เนี่ยเลือกไม่ได้มีมา <c oughs> สังคมแบบนี้ทาความดีครบถ้วนทุกอย่าง ถ้าก็จะมีบาปบางอย่างเนียเลือกไม่ได้เป็นไปได้ฐานใหญ่ของเขาเนี่ยคือเขามีความบริสุทธิ์เท่าเรรุกกินเล้าบ่อยก็ต้องลงโทษบ่อยสมัยท่านนาบีเนี่ยการลงโทษนี่ก็คือตีบ่บยโดยไม่มีจำนวนจำกัดที่มากำหนดบ่บยคนที่เคี่ยนคนที่ดื่มเหล้าแปดสิบเนี่ยอันนี้ยุคสฮะบะยุคบรรดาขลิฟ สมัยท่านในบีเนี่ยตีเงเนี่ยตีฟาดเตะทุบตีอย่างเงี้ยเออไอาาน้นีถูกจับตีแล้วตีก็ตีเนี่ยตีแล้วก็ใช้มือใช้ตีตีเนี่ให้ให้เข็ดน่ะแต่ไม่จำเป็นต้องแบบว่าต้องต้องไม่ต้องหลังเลือดอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นตีมีคนนึ่รำาคนลำขาดเหลือเกินนี่มกินเหล้าบ่อยเหลือเกินก็เลย ทั้งตีทั้งแช่งด้วยแช่งพี่ขอแช่งสักทีหนึงมันกินเหล้าบ่อยแล้วเออไม่เข็ดสักทีขอลาณนาะตุลล่ะสับแช่งนลานัดนะ่ะสับแช่งให้บอกวอย่านะการที่จะมีคนเห็นใจคนทำบาปเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่พวกเราต้องศึกษาอย่างละเอียดในบุคลิกของท่านนาบีสัลลัลลอฮฺ เห็นใจคนที่ทําบาปเห็นใจคนที่ทําความชั่วถึงแม้ว่าท่านนาบียืนข้างเคียงหลักการศาสนากินแล้วแล้วนี่ก็ต้องโบยต้องต้องลงโทษแต่มากกว่านั้นนะนบีเนี่ยออกมาปกป้องหลักการอย่าสาบแชงนะทําไมแย่แย่ขนาดนี้เนะี่ยแล้วจะสาบแชงคือสาบแชงไม่ได้ตีเนี่ยได้ ตีเนี่เพราะอัลล์สั่ง้ีนก็ตีไปสิสาบแช่งนี่ับไล่จากความไม่ต่งอัลล์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยรักอัลลอฮ์ละอัลสุลซึ่งนี่พวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยอ้างว่ารักอัลลอฮ์ละอัลลนี่ก็อ้างไปดิอันนี้นบียืนยันให้นะอันนี้เป็นพยานให้นะนี้มีคนเลือกเนยนะเพะนั้นถ้มีคนบางคนถ้ามีสองในกรณีเนียแล้วก็าบว่าคนนั้นนะ คงจะไม่บังอาจอ่ะเฮ้ยอย่ามาสาบเช่งฉันฉันเอาละเราสาบไม่เคยพูดแบบนี้ไงเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าไอ้เทงงั้นถ้าเราทําทําบาปแล้วอะไรแล้วก็วมีคนเฮ้ยอย่ามาทำฉันเดี๋ยวฉันนักเอาละเราสุไม่ได้นะไม่ได้คนละเรื่องคนละเรื่อง <laughs> เฮียเฮียเฮียเพี้ยน <sa fe> แต่นี่นบีเนี่ยออกตัวมาเป็นพยานให้ซึ่งอุลามาได้บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพภายในจิตใจอันนี้เป็นเรทไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ แล้วคนนี้มีสิทธิ์ที่จะบอกคนที่มีมีวายู่หรืออนุญาตที่อัลลอฮฺอนุญาตให้เขาพูดในสิ่งลึกลับในสิ่งที่เป็นเหตุไม่มีใครรู้เจตนาสมควรบอกพี่น้องอมีมีคนหนึ่งเจตนาอะไรสักอย่างตอนเนี้ผมบอกเนี่ยตัวเองเจตนารู้ยังไงหมอดูก็ยังไม่รู้เลยที่หมอดูนี่มันเดาวกันทั้งนั้นนะนบีบอกในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาเป็นการยืนยันนะ แลคนที่รักอัลลอฮ์และรสูาบแช่งไม่ได้คนที่รักอัลลอ์และรัสรู้อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์และรัสู้อยู่ในความเมตตาและหลานัดเนี่ยเป็นการสาบแช่งคือขับไล่จากความเมตตาของอัลลอฮ์มันขัดกันทำไม่ได้มาอัลลอฮ์ซินีนมินสบิลสำหรับคนที่กระทำดีฐานใหญ่ของการกระทาดีเนี่ยบริสุทธิ์ใจต้องรักพักดีต่ออัลล์และรู และนี่คืออ <c oughs> ุลามาโคเรียกอลแอคียาสัตว์เนี่ยสัตวเ์เลี้ยงเนี่ยม้าหรือแพะหรือวัวกระบือใครที่เลี้ยงนี่จะรู้ต้องมีเชือกผูกคอผูกจมูกอะไรก็ตามเนี่ผูกผูกเนี่ยก็จะต้องมีเขารกันอะไรอะมันต้องมีเสาต้องมีมีที่หลักที่มั่นที่จะมาผูกเชือกไว้ ถ้าเราไม่จัดเองนะมันต้องมีแล้วเราจะไปทำงานจะไปอะไรเนี่ยก็ต้องมีสมมติาพาไปทุ่งนายอย่างเงี้ยแลว้วกลัวนี่กระบือนี่มันกำลังวัยรุ่นอยู่มันอาจจะวิ่งไปกินวะนวิ่งทํายังไงอ่ะเขาก็จะตอกเสาสักะ ส, สักนิดนึงแล้วก็ผูกเชือกอันนี้ก็เรียก อ, อาเขียฉขนเรียกอาเียใช่ไอ สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันก็จะเดินไปเดินไปแต่รัศมีสุดของมันนี่ก็คืออะไรก็คือเชื่อมุสลิมทุกคนเนี่ยต้องมีฐานมัน่นอันเป็นรัศมีไม่ให้เขาเนี่ยห่างออกไปไกลๆทุกคนเนี่ยรู้ตัวเองรู้ตัวเองว่าทำบาปอะไรมีความชั่วอะไรมีชอบอะไรอะไรแต่ตัวเองต้อง ตัวเองต้องมีนโยบายกับตัวเองว่าจะทําอะไรอย่าไปไกลนะทําไมถ้ารูดไปไกลแล้วก็กลับไม่ได้กลับไม่ได้เขาก็ต้องมีเชือ่อเชื่อนี่คืออะไรก็หลายอย่างอะไรเป็นเรื่องละหมาดครอบครัวเพื่อนอ่านกุตตานอะไรสักอย่างนรงในหลกักการศาสนาเหมือนเรื่องที่ผมเล่าบ่อยนะโจรโจรที่มัน้นป้นคารวาน แล้เขาก็มาแบ่งกินอาหารมากินกันคนหนึ่งไม่ยอมกินอุลามาที่ที่ถูกป้นเงินที่อยู่ในคารวาลนี่ก็ผิดสังเกตไงเขาแบ่งของป้นเนี่ยแบ่งกินกันแต่คนนี้ไม่ยอมกินทัทบทำ ไ, ไ ม, ม, มไ ม, ม่กินถือบวชเขาก็ขำบอกว่าบวชนะโ <laughs> เป็นโจรนั่งดีแล้วก็ยังจะมีหน้ามาบวชอีก <laughs> เขาก็คงคงถูกถามเยอะไง โจนก็ชอบบวชไงคงต้องถูกถามเยอะแล้วเ ข, เ, ขเขาก็ไม่ไม่ว่าไม่ว่าคนนั้นเป็นโจนก็สามารถโต้โ ต, ว, ต ว, วิธีอื่นก็ได้นะแต่เขาก็คงชินแล้วละคนที่แปลกใจอะนะโจนทั้งทีแล้วก็ยังบวชเขาตอบเหมือนเหมือนเป็นคนมีความรู้เลยปุระมาที่ถามเนี่ก็เหมือนเหมือนกลายเป็นเรื่องโจกละเรื่องตลกละโจนทั้งทีแล้วก็จะมาบวชอะไร เขบอกว่าอับัตุอันจะ كون بيني و ب บลา طلق พระเจ้าอยากให้มีประตูระหว่างชั้นกับพระเจ้าเนี่ยไม่ถูกปิดเลยพูดแบบนี้นี่มีความรู้อัลลอมนั้นอึ้งเลยคนนั้นอึ้งเลยเงียบเพูดอะไรไม่ออกเลยไม่กี่ปีเนี่ยอัลลอฮคนนี้เนี่ยไปมัการ์ก็พบไอ้โจรคนเนี่ยกลายเป็นผู้รู้ที่บรรยายอยู่รอบๆมาสิดฮารอง เ, เชื่อกการถือสินอดถึงแม้ว่าเป็นโจร น, นะแต่เขาไม่ยอมทิ้งเลยนะการศีลคนบวกเราถ้าดูอะไรในชีวิตเนี่ยถ้าเรามีความเสี่ยงในเรื่องบาปอะไรบางอย่างที่เรายังไม่เลิกเราไม่รู้จะจะเลิกยังไง่นะก็ทำไปนะการพยายามที่จะเลิกการพยายามที่จะเบัตรตัวนี้ทาไปนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่จะ ต, ต้องเข้มแข็งกว่าการพยายามตบัตตัวเนี่ย เพราะการพยายามเตาบัด ต, ตัวขนาดมีอุปสรรคก็คือเรื่องกิเลสเรื่องความชอบอะไรที่กำลังรบกวนการเตาบัด ต, ตัวนี่ไม่ให้บรรลุผลนี่นะเราอย่าลืมว่าต้องขยันทำอะไรให้มันเข้มแข็งในชีวิตสักอย่างหนึง่งสัญญาไว้ก่ลนเราว่าจะไม่ทิ้งอันนี้เนี่ยที่จะทำให้ช่วยให้เราเนี่ยได้เลิกได้ได้ปรับตัวสักวันห น, นึ่ย อย่างสมบูรณ์แบบสโลแกนคืออะไรมาอันับมอฮ์ซีนีนมินซาบิลไม่มีการกล่าวโทษใดๆกับคนที่ทําความดีทําความดีนี่หมายถึงว่ามีความบริสุทธิ์ใจในการทําความดีตั้งใจทําความดีไปกล่าวโทษเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าในสายตาของผู้คนเนี่ยเขาก็อยากจะกล่าวโทษกันง่ายๆแต่สําหรับคนคนที่เข้าใจนี่ กฎเกณฑ์ของเราสุภาโนวาจาร์ล่ะในการบริหารชีวิตของผู้คนของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะรู้แล้วบางทีนี่คนแบบว่าคนคนแย่มากทาบาปทำความชั่วอะไรแต่เขามีความดีอะไรบางอย่างที่ไม่ทิ้งคนทั่วไปนี่ที่ไม่รู้นี่ก็ ก, ก, ก็มักจะมองเรื่องเรื่องบาปเรื่อ ง, องความชั่วที่เขาทำอย่างเดียวแต่คนที่รู้รู้รู้ธาตุของคนเนี่ย มันจะเป็นเรื่องผิดสังเกตสำหรับเข า, ถ, าถ้าคนนี้เป็นคนชั่วสนิทนะเขาจะไม่รักษาความดีนี้แบบนี้เ ป, น เ, ปนเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นฉะนั้นเผื่อเผื่อไว้หน่อยเวลาเจอใครเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปฟันธงเขาที่จะต้องไปกล่าวโทษเขาไปกล่าวว่าเขามันไม่ใช่หน้าที่ของเรายิ่งถ้าเขามีอะไรในชีวิตที่มันดีอะนะ อม่ดที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับสําหรับมุสลิมเนี่ยเวลาเห็นใครทําความผิดเนี่ยอย่าไปอย่าไปกล่าวโทษหรือไปตําหนิตัวเขาพยายามตําหนิการกระทําอย่างเดียวอันนี้ปลอดภัยที่สุดให้สิ่งที่เองจนะํานี่มันไม่ดีนะอย่างเงี้ยแต่เองไม่ดีนะนี่คนละเรื่องนะมันมันคนละคดีคนละวาระกันเลยนะให้สิ่งที่แกทํานี่มันไม่ดีนะ เองเนี simpler, mas, people, ่ยไม่ด okay. ีนะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันหนึคนละเรื่องเลยแล้วคนเวลาฟังเนี่ยคนที่คนที่กำลังทำเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเวลาฟังเนี่ยมันก็มันก็เป็นคนละคนละอย่างเราไม่ดีหูก่วมเขาเนี่ยว่าเป็นคนไม่ดีเพราะคนดีเนี่ยคนดีในโลกดุนยานี้เนี่ยที่ม่ใชินบีนัสรัซูล้วนะคนดีเนี่ยไม่มีหรอกที่ไม่ทำสิ่งไม่ดี อ๋อคนนี้เป็นคนดีแปลว่าร้อยปอร์เซและเขาไม่มีความช่วยเลยใช่ไหมมีไหมแบบนี้นอกจากนาบีเราสูดแต่ดีสำหรับมนุษย์ตัวไปนี่ดีมีมีสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนเอาแล้วก็เราเราไปสรุปว่าเขาดียังไงเนี่ยสองประเภทนะในสังคมสังคมมนุษย์นั่นนะที่เราไปสรุปเขาดีเขาชั่วเนี่ยตามความชอบเราสรุป เห็นเฉพาะเรื่องชั่วอ้าวนนี้คนชั่วทั้งนั้งดีๆเขานี่อาจจะมากกว่าเห็นคนดีแต่เราชอบเขาอ่ะแล้วคนนี้คนดีแต่ชั่วนี่อาจจะมากกว่าคนดีเขาสรุปสรุปตามความชอบส่วนตัวแต่คนที่สรุปสรุปจากการศึกษาอย่างรอบคอบต้องดูก่อนถ้าจาเป็นจะต้องสรุปตัวคนนะคุณต้องศึกษาทั้งหมด ดีกี่เปอร์เซนต์ชั่วกี่เปอร์เซนต์ถึงจะสรุปว่าเขาชั่วหรือมันคนดีแล้วต้องมีเหตุผลเพียงพอด้วยนะเหตุผลที่จะตอบกับตัวเองเพราะการการสันเสริ์ว่าใครว่าว่าเป็นคนดีเนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่ตามมาเพราะถ้วเราคนนี้เป็นคนดีคนจะเชื่อเราเชื่อเราแล้วก็น่าไว้ใจละทําไมเขาบอกว่าเป็นคนดีเนี่ยเนี่ยและส่วนมากในสังคมเนี่ยมิชาชีพนี่ก็ได้ทางวแบบนี้ นักการเมืองชั่วๆก็ได้ทางกันแบบนี้แหละไปพบนักศาสนาไปพบคนดีในสังคมคนดีในสังคมก็คนนี้เป็นคนดีนะฝากด้วยนะเป็นคนช่วยสังคมนะสรุปคนอื่นก็เชื่อมั้ยเชื่อเลือกเลยเป็นแบบนี้ถ้าถึงจะรับรองก็อย่าไปรับรองตัวตัวคนรับรองผลงานเขา ในสมัยซลับสมัยนบีและซลเนยรับรองแบบตาบอดนี่ไม่มีรับรองแบบตาบอดนี่ไม่มีรับรองแล้วก็ต้องมีประโยคเผื่อไว้นะซบุัวลุฮซีบนบีสอนจะเสนสนใครอะนะให้กาะซบุวลุฮซีบเราคาดเราคาดการเราคาดดาวะเข้าเป็นคนดี ว่า ل um um ja, ja, ah l l a h ฮัสซีบอกแล้วก็เรามอบหมายข้อที่จริงที่ a l l a ุาานี่ขนาดนี้เนี่ยเราไม่รู้ข้อที่จริงเป็นยังไงอัลลมาเวลาจะเขียนเตสกิอานียสกาหมว่าหนังสือรับรองรับรองจะได้ไปยื่นนี่เขาจะทิ้งท้ายว่ามาชัยดนาอิลลาบิมาลิมแนวมาคุ้นน่ะร้อยบฮาฟิซีดที่จริงมันเป็นส่วนหนึ่งของอายะฮ์เรื่องราสมัยท่านนบี ว่ามา شهيد เนีเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ให้การไม่ได้เป็นพยานนอกจากสิ่งที่เรารับรู้เท่านั้นว่ามากุนนาลิล้อยเบฮาฟซินแต่ข้อแทจริงในสิ่งเล่นลับเนี่ยเราไม่รู้ออกตัวจะชั่วจะดีนี่นะลึกๆนี่นะี่เรามอกต่อัลลอฮ์ในเราไม่รู้วัลลอฮ์หัวฟูร์ไหมและอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรง อภัยโทษผู้ทรงเอ็นดูเมตตาไม่มีบาปใดๆสำหรับสำหรับคนอ่อนแอสาหรับคนป่วยและคนดีไม่มั่งคั่งคนยากจนไม่มีทรัพย์สินอัลลอฮฺเราดีนอิสมาโต้วกลิถามิละหุมคุลเตลาอัดดูมาอัพมิลุคุมอัลเลห์ทาวลูและายุนหุมทฟีดุมินัดัมะซานัลลาัดูมาฟิกู และไม่มีบาปใดๆแก่บรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขามาหาเจ้าเพื่อให้เจ้าจัดต้องมีวงเล็บหน่อยนะจัดพาหนะให้พวกเขาขี่เจ้าได้กล่าวว่าฉันไม่พบพาหนะที่จะให้พวกท่านขี่บนมันได้อาบัตจะไป i ย้กับท่านน บ, บีแต่เขาไม่มีพานะ<ม>เดินเท้าป่าไม่ได้นะเป็นพันกิโลนะหน้าหน้าร้อนน่ะไม่ได้นะ เป็นภาระสําหรับกองทัพต้องมีพาชนะไปหาภาชนะเองดังไปเสไม่มีเขาก็เลยบอกว่าน บ, บีหาภาชนะให้เราหน่อยน บ, บีก็ไม่มีฉันไม่พบไม่มีช่วงนั้นนะ่ะแต่ว่าก็จะไม่มีแต่ว่าเราพวกเขาก็ผินหลังกลับแต่ว่าเราเนี่ยใช่คำว่ากลับเขาก็เขาก็กลับก็พอผินหลังเนี่ยมันมัน มันไม่ค่อยสวยงามซึ่งในทํานองเนี้ยเขาเขาไม่ด้เขาไม่ไ ด, มด้คือเขาไม่ได้ผินแหะผินหลังนี่มันลบนิดนึงก็ใช้คําว่ากลับก็บพอแต่อันนี้เขาแปลตามตามคำาวแต่ว่าแหละแต่ว่าแหละเนี่ยในกุฎานั่ง น, นี่คือผินหลังตั้งแต่หันหลังให้แต่เขาไม่ใช่หมายถึงว่าเขากลับเขามาขอนบีมีผานเราไหมจะได้ไปยะกรเจ้นานบีแเ้าก็ไม่มีเขาก็เลยกลับเขาก็กลับก็ต้องหันหลัง ในสำนวนภาษาลําเนี ami, ้ยแต่ว่าละก็ค uh ือกลับไงมันสำนวนเดียวกันแต่นี้เราไปแปลเหมือนเหมือนแต่ว่าละในคำศัพท์อื่นในกราแต่ว่าละสำหรับคนที่ปฏิเสธนะแต่ว่าละมันคือเอลรอดมันก็คือพินหลังคือปฏิเสธนะเชิงปฏิเสธนี่ไม่ใช่ไงอย่านั้นที่เหมาะกว่านั้นก็กะกลับเขาก็กลับผินหลังกลับนะหันกลับว่าอยู่ในอุนทวีดูมินเดดมัยโดยที่ ในตาของพวกเขาดวงตาเนี่ยในเนี่ยเรียดวงตาในตาของพวกเขาท่วมทนไปด้วยน้ําตาเพราะเสียใจเสียใจเสียใจเพราะอะไรเพราะไม่ได้ออกไปแจกกับท่านนาบีไม่มีฐานะที่จะออกไปแจกกับท่านนาบีน้ําตาร่วงเลยได้ฉา้ยาตามรายงานเขาบอกว่าสหาว่าเจ็ดท่าน บางแรงงานบอกว่าเป็นพี่น้องกันบางแรงงานบอกว่าไม่ใช่บางแรงงานบอกว่าหลายกลุ่มหลายเผ่าแต่เจ็คนบางแร ah งบอกว่าไม่ใช่เจ็คนอันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่ามันมีกลุ่มจริงพรานี้คุณอัานบอกว่าจริงมีสอ่บจริงที่หมาท่านนบีส่วนรายละเอียดนี่จะเป็นใครจะเวล่นี่อันนี้อันนี้อันนี้สาระไม่สําคัญมากมีกลุ่มจริงที่หมาท่านนบีแล้วพอพอไม่สามารถไปแยกกับท่านนบีนี่โค้งง่ายอ่ะนี่น่าเศร้าเขาบริสุทธิ์ใจเนี่ เขาบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺละอูซูลจงรักภักดีตาา่ออัลลอฮฺละอูซูลจริงร้องไห้น้าตาไหลเลยฮะเจนันเพราะความเสียใจอัลลอฮยะจีดูมาโยฟีู่ดที่พวกเขาไม่พบสิ่งที่พวกเขาจะบริจาคได้ฉายาจิตคนเนี้ยกลุ่มเนี้ยไดายา้ชายาว่าอัลเบกาอินติดชายาติดฉายาเบกาอินเป็นเป็นกลุ่มร้องไห้ก็เป็นที่รู้กันเลย หมายถึงว่าร้องร้องไห้เพราะเขเสียใจที่ไม่ได้ไปเจรจาดกับท่านนบีคนไม่ได้ออกไปเจรจาดกับท่านนบีกลุ่มนี้ละที่ท่านนบีบอกว่ามีหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนในการทําจิจาดของคนอื่นที่ออกไปเจอกับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาหเห็นคนอื่นก็ทําความดีเราอยากทําความดีกับเขาแต่เราไม่มีความสามารถตั้งใจไปเลยแล้วก็แต่ความรู้สึกของเราเนี่ยมีความมีความมั่น ตั้งมั่นที่จะทําจริงๆมันจะเกิดอาการเสียใจเสียดายนะ<อ>ก็เหมือนอาการเวลาเราเห็นคนเขาเที่ยวเพื่อนไปเที่ยวแล้วเราไม่มีโอกาสไปเที่ยวกับเขาเราจะพูดอ๊ดเสียดายอาการเสียใจเสียดายเนี่ยสาหรับคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยนะก็เกิดเรื่องแบบนี้อะไรเงี้อบบูอ้เสียดาย เสียดายที่ดูม่ได้มีโอกาสไปกินเากับพวก้เสียดายไม่มีโอกาสไปเที่ยวเสียดายไม่มีโอกาสไปเล่นบอลกับพวกเศกิไรสารอะไรแบบนี้ไม่ตื่นลมาสุโบพูดบ้างมโอ้เสียดายไม่นี้ไม่ได้ตื่นละหมาดเสียดายคือนี้ไม่ได้ละหมาดแกมุเลเสียดายไม่ได้อ่านคูอ่านเสียดายยังอัการสบายามเยยมชาพลาดไหเสียดายถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยนะเนี่ยจะได้ผลบุญ เราไม่ได้ตั้งใจพลาดนะเราไมไ่ตั้งใจที่จะทิ้งไนงะแล้วมันวิสุทธิ์ยังไงอนะกัเราเสียใจไงเสียได้ยนะนี่ไงที่มหาท่านนาบีแล้วทนบีขอใหสอูส ต, ตัวหนึ่งไม่มีในบางรายงานเนี่ยบอกว่าเงื่อนไขตอนนั้นนะ่ะนะทุกคนเนี่ยต้องมีผานะสองตัวบางรายงานต้องมีสองตัวผานะสองตัวทำไมเขาวกว่าอันนี้มันมันเป็นการเดินทางไกล ถ้ากรณีที่จะต้องขี่ป่าฮนะเนี่ยจะขี่ตลอดเนี่ยไม่ได้หรอกก็ต้องขี่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งพักพอขี่ตัวหนึง่งตัวอีกตัวหนึ่งที่เคยขยีย่เนี่ยก็จะได้พักอันนี้ไม่มีอะสห า, ายบ้าใครครร่ํารวยมั่งคั่งนี่ไม่ใช่ไปออกญาติอย่าง ما, อุสมานเนี่ยไม่ได้ออกยญาติกับท่านนบอีออกนะแต่อุสมานนี ما, อ่ออกนะแต่ท่านจะถี ท่านอบขึ้นมีบ้านวันแรกนี่ที่เรียกให้ไป j i d แล้วก็ไปบริจาคในหุ่นดังล้อุสมานอุสมานมอกม้าห้าร้อตัวเดี๋ยวผมจัดการให้ลาบิชอฟลาบิชอบนก็เอาเงินไปหาซื้อให้ได้ใครเลี้ยงม้านที่ันซื้อหมดยาหูเียงอยู่ที่มาดีหน้านี่มีม้าไมท่เัซื้อหมดต้องเตรียมฉันลาบิชอฟห้ารอตัวเดี๋ยวเตรียมให้ท่านอบดอุสมานจะขี่ห0 0รอตัวหรือไม่ก็แจกให้ซอบบ่ คนอื่นเนี่ยนี่ที่ทำไม่ซอบางคนบอกว่อดนบีมีมีป่านะที่ออสมานก็บริจาคเพื่อแต่กองทัพนบีเนี่ยสี่หมื่นะหารอยนี่จะพอที่ไหนละ่ะพอไปแล้วนี่ไม่มีแล้วนบีบกว่าไม่มีแล้วในบันทึกของบุคลีและมุสลิมมีรายงานบอกว่ากลุ่มเนี้ยหลังจากที่ได้ร้องไห้และกรหันกลับบ้านไปแล้วอะนะหลังจากนั้นนะ่ะท่านนบีได้พบ มันมีคนบริจาคมานะาอายนี่นบีก็เลยเรียกในคำพูดนี่นบีบอกว่าลาอจิดูมาฮ์ไลูกมาอะไฮฉันไม่พบพาหนะที่จะให้พวกท่านขี่บนมันได้ฉันไม่พบฉันไม่มีอะไรที่จะให้ขี่ใช่ปะในบันทุกบุคคลมุสลิมท่านนบีพอเจอแล้วเนี่ยเรียกมาอินนมาฮ์มาละกุมุลลอ์อัลลอ ล l l a h ให้พวกเจ้าเนี่ยมีผ่านะขี่ได้เหมือนนบีนบีออกตัวเลยไอ้ตอนนั้นนะ่ะไอ้ตอนนั้นนะ่ะนบีไม่มีจริงแต่นบีก็เลยตอบตามจริงอ่าแล้วก็ที่มานี่ยอ Allah ส่งมาให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของคนเหล่านี่ถ้าเราเอาแสงงานนี้เนี่ยก็แสดงว่าบั้นปลายของคนที่บริสุทธิ์ใจตั้งใจในการทําความดีนะบั้นปลายนะเดี๋ยว Allah ก็จะให้เขา ได้ทําความดีที่เขาปรารถนาอยากไปทําองค์ร่อยอยากไปดำรู้ว่ามีทังเฮ้ยเดี๋ยวนี้วีซ่าอะไรเองอะไรไปเองได้วีซ่าอย่างเดียวนี่ก็รู้ ก, กี่พันแล้วคือบางคนใช้เขาเนี่ค่าใช้ใจของเดินทางไปทำองค์ร่อยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยนนตั้งใจตั้งใจ แล้วก็เห็นเยอะนะเห็นเยอะคนที่ตั้งใจจะไปทำอง์รั้ไปทำฮัทแล้วก็ไม่มีถึงขนาดขนาดที่จะต้องร้องไห้อันนี้เห็นกันนับไปทวดนะตลอดชีวิตที่เคยเจอนะถึงขนาดที่ต้องร้องไห้นะแต่เห็ น, เ ห, นเห็นเลยนะบ้านปลายในสุดท้ายเนี่ยไปไม่มีสักกระบาทหนึ่งสุดท้ายเนี่ยไปบ้านปลายถ้าเราจริงจัง ในการทำความดีเนี่ยสัมสินที่อยู่ในโลกนี้อานาจบา ร, รมีที่อยู่ในโลกนี้นอยู่ที่อัลลอฮ์แต่อนนี้จะไปแบมือไปขอแล้วจากมนุษย์นี่ขอจากเราอัลลจะเป็นผู้อำนวยให้อ่าฝากเพียงแค่นี้ น, น, น, น, น, น, น, นะครับอัสลามุอัลลอฮ์วะลาหม น, นบีนะมุฮัมมัดอัลลอฮ์อัลลอฮครับิอุสั้นะไมช่วงแรกๆนะครับริสของทนาีที่ทนายได้ตอบคำถามว่า ที่เป็นบาปอะไรครับแต่เพราะว่าความขื่นอันใจใช่ไหมครับแล้วสําหรับคนที่เขาทําบาปแล้วเขามีความสุขหรือว่าเขาทาบาปแล้วเขารู้สึกเกลียกับบาปนั้นนะครับนั่นนหะที่ผมบอกอนะ่ะถูกบิดเบือนถูกเบี่ยงเบนธรรมชาติของเขาคนที่ถูกบิดเบือนให้ให้เห็นบาปไม่เป็นบาปหรือเห็นบาว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายกย่องอันนี้คือคนที่เขาถูกทําลายธรรมชาติของเขาไปลอย่างที่บอกว่า มนุษย์ตัวไปไม่ต้องเป็นมุสลิมเนี่ยมนุษย์ตัวไปที่เกิดมาในบรรยากาศในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยจากจากการบิดเบือนธรรมชาติเนี่ยดูได้เลยพี่น้องชาวพุทธที่ไม่ชอบเล่นการผนานัดนมีไหมมิ่งไม่ชอบกินเหล้ามีไหมมิไม่ชอบแต่งตัวโป๊ๆนี่มีไหมมีเยอะแยะไปหมดเลยนี่เขาเขาอยู่ในเขาอยู่ในบรรยากาศในธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์แต่พออยู่ในสังคมอยู่ไปอยู่มา ไอ้กระแสนิยมหรือค่านิยมที่มันแทรกแซงเข้ามาแล้วมันมีอิทธิพลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงธรรมชาติผู้สัทธาถึงจะมีคนที่มีความสุขตอนทำบาปแต่ถ้ารู้แก่ใจเนี่ยเพราะมันเป็นบาปนะรู้ต้องยอมรับกับใจเนี้วมันเป็นบาปนะเขาก็จะไม่มีความสุขร้อยเซมุสลิมกินเหล้าอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าเหล้านี่มันอารม ขอใมีความสุขตอนกินเหล้าท่านก็มีเรื่องที่อึดอัดใจอยู่เนี่ยกูทําบาปอยู่กูกำลังทําบาปอยู่ทําสินาแล้วก็รู้ว่าสินานี่มันบาปูรู้ว่ตัวเองกำลังทาเนี่ยมันก็คือสินาเสษสิ่งเสษติดแล้วก็รู้ว่าสิ่งมันสิ่งหรอมเนี่ยที่อันตรายเนี่ยเว่าละสิ่งที่มันชัดเจนฮะห้มที่มันชัดเจนที่ไม่มีขีลาบเลยเนี่ยแล้วก็มีคนมาหลอกลวงชาวบ้านมาบิดเบือนหลักการศาสนา ถ้บอกเขาว่า <t> นี่มันไม่บาปหรอกมุสลิม่าที่ไม่คุมวิญาบเนี่ยโดยทั่วไปในมุสลิม่าทั่วโลกรู้ว่าตัวเองกําลังทําบาปแต่อีกคนที่ไปหลอกมุสลิม่าบอกว่าเภาสมัยนบีเขาก็แต่งตัวกันอย่างนี้แหละบิดเบือนศาสนาชัดเจนจะไม่กล่าวโทษผู้หญิงเพราะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็ยังยึดมั่นในอิสลามอยู่แล้วแต่อีกคนที่มาบิดเบือนศาสนาอันนั้นนั่นแหะนั่นแหละที่น่ากลัวที่มาบิดเบือนศาสนาให้คน หลอกลวงให้คนในเข้าใจศาสนาผิดผแบบนี้อันนั้นนะ่ะยิ่งทําออกในท่าเป็นผู้รู้ด้วยนะนั่นี่น่ากลัวมากที่สุดแต่ถ้าเขารู้ว่าเป็นเขารู้ว่ากําลังทําบาปอยู่เนะี่มันก็เพียงพอที่จะให้ถือว่าบาปที่เขาทาเนี่ยไม่ทําให้เข้าในตกศาสนาถึงแม้ว่าเขามีความสุขในการทําบาปแต่เขารู้ทําทบาปนะอะ่ก็ไม่ตกศาสนา แต่ถ้าทําบาปโดยเชื่อว่าไม่บาป น, นั้นนะ่ะได้ความชั่วได้ผ ล, ลบาปแล้วก็อาจจะตกศาสนาด้วยครับท่านอิบราฮบอกว่าท่านมีรักท่านอยู่ในชาตแล้วเกี่ยวข้องกับท่านมาูฮัมหบัดยังไงครับท่านอภีถูกถามว่าใครที่ท่านรักมากที่สุดท่านอบดก็ตอบคําตอบแรกนี่ก็คืออาอิช่สาสาบะที่ถามเนี่ยบอกว่าอ๋อหมายถึงว่าในบรรดาบุรุษบรรดาสาวกของท่าน ท่านนาบีกเลยตะบออบูฮกับกับพ่อเขาอ่ะอก็หมายจงว่าไม่พ้นนะเร <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปไกละนะคนเลี้ยงปลาครับคนเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยเร็จแล้วก็อเองมากินเนี่ยค่าตังินไปฟองหนึ่ ง, งาบาทนะครับแต่ค่าได้ตัวเงินตัวทองนี่ค่าได้แต่กินได้หรือไม่ได้เนี่ย น, นี้ก็มีมีมีบันไอยู่แต่ สัตว์ที่มันทําลายทรัพย์โดยเฉพาะที่มันทําลายสัตว์เลี้ยงของเราอันนี้มีระบุสัตว์หาชนิดในบรรทึงอุปคอลขอมุสลิมหชนิดที่ท่นานบีสั่งให้ฆ่าหนึ่งในนั้นน่ะหนูแล้วก็มีพวกเหยี่ยวหรืออินทรีที่มันชอบที่มันชอบล่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเราเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรนี่แล้วก็มันชอบมาล่าเนี่ยเนี่ยฆ่าไดออ้อะไรประมาณเนี่ยหรือนกเ อ, อ อีกา บ, บีสั่งให้ฆ่าฆ่าได้ฆ่าได้เพราะอะไรเพราะมันมันทำลายทรัพย์โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอยู่กายถ้ามันมันเจอมันเจอไข่ไก่เนี่ยเรียบร้อยมันหมดใช่ไหมบีก็อนุ ญ, ญาตให้ฆ่าได้อันนี้ก็เหมือนกันอันนั้นน่ะคือไม่ใช่หมายอย่างเดียวนะ สัตว์อื่นนะสัตว์ทัวไปเนี่ถ้าถ้ามันแบบว่าคือสัตว์ชนิดนี้ก็เรียกว่าสัตว์ดุแล้วนะสัตว์ที่มันชอบล่าสัตว์อื่นแล้วก็ยิ่งคือถ้าเป็นสัตว์ป่าทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่แค่์หรอกสัตว์เลี้ยงไม่เลี้ยงนี่มันจะไม่ไม่สนใจแต่ไอที่สนใจนี่สัตว์เลี้นี่ี่คือความชั่วความร้ายของมันนะนะมันไม่ชอบล่าไงทําไมไงสัตว์เลี้ยงนี่มันกระจุกอยู่ในกรงนี่่ายหากินง่าย มันก็มีสันดานขโมยด้วยสัตว์พวกชนิดเนี้ยสันดานขโมยด้วยแต่ถึงท่านนาอก็อันนี้ค่าได้อตัวเงินตัวทองถึงแม้ว่าเป็นสัตว์สังขวนุ่ะนอะนะผิดกฎหมายอาละล่ะก็ต้องค่าแล้วเนี่ยก็ต้องหากูโบฝังให้มันเงียบๆเนะ่ยแล้วแต่ใครรู้เดี๋ยวเป็นคดีคดีนั่นน่ะนีดด่เป็นเรื่องเลยนะอ่าที่ส่วนมากนี่แทบ ถ้าบ้านเราเนี่ยถ้าเขาจับเนี่ยเขาไม่ฆ่าเนี่ยเขาปล่อยไงเขาไปปล่อยจับแล้วแต่สมมติว่ามันเข้าบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกหน่วยกู้ภัยใช่ป่ะเขาไม่เอาแล้วก็ไปฆ่านะเกาต้องไปปล่อยต่อน้ำฆ่าไม่ได้นี่ผิดนะแต่ฆ่าคนเนี่ยนี่ก็ว่ากันได้นะด่เห็นกันเนี่ยฆ่าคนเนี่ยเรื่องธรรมดาแต่ฆ่าตรงเงินตัวทองนี่เป็นคดี